ตเมื่อคืนในปย ป, ยปยปกแปลกปลกแปลอื่นกะนับวดีชุ่มเย็นแต่เห็นงานเมื่อวานในพี่น้องคณะสัาย า, าติโยมลูกหลานก็ามาในงานก็อู้รู้สึกปลื้มใจการทำงานของลูกของหลานก็เลยดูแล้วก็มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันดีมากแต่ ว, ว่าก่อนหน้านี้เขาพวกผู้สูงอายุ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 อทุกองก็ได้มาเนี่ยทำฉันอาหารที่นี่การฉันอาหารที่นี่ก็คือได้มาอย่างไงกับพี่น้องชาวสกลนครเป็นภูมิน้ําใจทําบุญทําทานดูแลหลวงปู่มัน่นดูแลครูบาอาจารย์พระสงฆ์หลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่เทศหลวงปูล่ล่าหลวงตามหาบัวไล่เลียงไปหมดล้วนแล้วแต่ผ่านสกลนครทั้งนั้นเอเขาได้ทําบุญเขา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 กับพลแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความเจริญถ้าไปที่ไหนมีแต่เนตรคุณไปเห็นเขาทำนิดนิดหน่อยๆน่อยเอ่ม้อยไม่พอใจหน่อยเดียวท่านน่ะดูถูกเย็ดยามเขาเนรคุณเขาคนคนนั่นไปนนสถานที่ใดมไม่มีเลจะมีหมูมีเพื่อนเหนผู้ใหญ่ก็ไม่รักถ้าผู้ใหญ่ไม่รักหมูเพื่อนไม่ให้ความยาเกรงแล้วเราจะเจริญได้อย่างไรไม่มีหมูมีเพื่อน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 อยู่ในสถานะไหนปรับตนให้ถูกในกับอยู่ในสถานะนันนั้นนะอยู่ที่ใดผาสุกทั้งหมดทีนีไม่เดือดไม่ร้อน เ, อเมื่อเราควรจะขยันยังไงในช่วงนี้เราควรจะเก็บหอมรอมริบยังไงในช่วงนีเ้เราควรจะทำตนยังไงในช่วงนี้ อ, อนาคตต่อไปเป็นยังไงเราต้องวางปัจจุบันมองปัจจุบันกันมองอนาคตอนาคตเราจะเป็นยังไงต่อไปภายภาคหน้า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 เออเป็นเงินเท่าไหรทุกวันสามหมื่นกว่าล้านแต่คิดเป็นเงินออกมาเยมากขนาดไหนใครทําได้เนี่ยหลงตามีอะไรหลงตามีต่อศิลธรรมสอนแนะนําช่วยประเทศชาตินะช่วยประเทศชาตินะเราเกิดในชาติต้องช่วยชาติเนะเนี่ยนี่แหละทุกวันนี่ <c oughs> เงินบาทมันแข็งทุกวันเนี่ยอย่างขงพ้พเจ้เนี่ย เงินคงขังของเรามีมากเอี่แต่บางคนยุคเท่าไหรเนี่ยว่าเงินมันมากเกินไปเฮ้ยถา้าเงินของตัวเองเน่ะคงจะไม่ว่าเงินมากเกินไปแต่เงินอยู่ในกระเป๋าคนอื่นเนี่ยว่ามากค่ะโดยมากมันเห็นแก่ตัวอย่างนั้นมนุษย์มนาถ้าเงินอยู่ในกระเป๋าตัวเองเน่ยปิดเงียบเงินอยูย่ในกระเป๋าของคุณมันมากเกินไปนะเนี่ยเนี่ยมีแต่ว่าจะพูดจะพูดจะพูดจะพูดเนี่ยเอียอย่าก <c> ล <oughs> ัวเขาจะรู้จักอีกต่างหาก